ถามพยายามระงับความโกรธแต่ลองอุบายของใครก็ไม่เคยได้ผลบางทีลองดูแรกๆเหมือนเย็นลงแต่นานไปก็ลืมอุบายทั้งหลายและกลับไปห้ามความโกรธด้วยวิธีกดข่มเหมือนเดิมมีคนเตือนว่าถ้าเก็บกดมากๆระวังเครียดเป็นบ้าเพราะเขาเห็นเรากัดฟันและเกรงแน่นทั้งตัว และแม้เหมือนเลิกเกรงแล้วก็ยังตาทื่อๆไม่เหมือนปกติอยากทราบว่าห้ามความโกรธอย่างไรจึงแน่ใจว่าจะไม่เก็บกดและไม่ระเบิดในภายหลังตอบการฝึกห้ามใจขณะโกรธนั้นก็คือการฝึกต้านแรงโกรธไม่ให้มันบีบบังคับใจเราทำเรื่องร้ายจะว่าเป็นกีฬาทางจิตก็ได้ครับ กล่าวคือถ้าเล่นกีฬาทางจิตอย่างพอดีก็ทำให้จิตเข้มแข็งขึ้นเหมือนยกน้ำหนักฝืนแรงโน้มถ่วงโลกบ่อยๆหากเหมาะกับกำลังก็ย่อมได้ผลเป็นมัดเนื้อที่แน่นหนาคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นจอมพลังและเชื่อมั่นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคได้มากขึ้นทุกทีอย่างไรก็ตามถ้าห้ามใจหนักเกินขีดจากัดก็อาจส่งผลเสีย เช่นทำให้จิตอ่อนแอลงนั่นก็คล้ายการฝืนยกน้ำหนักเกินตัวกล้ามเนื้ออาจอักเสบได้ฉีกได้หรือยากกว่านั้นคือหัวไหล่หลุดไปเลยคุณจะท้อแท้หรือถึงกับสิ้นหวังสิ้นศรัทธาในตนเองลงไม่เชื่อว่าตนจะเล่นกีฬาทางจิตด้วยการต้านโทสะกับใครไหวหากสำรวจตนเองแล้วพบว่ายังอ่อนแอยังปวกเปียก ยังแพ้ความโกรธง่ายต้องหลุดปากพล่ามพูดระบายอารมณ์ให้กับเรื่องเล็กเรื่องน้อยผมก็ขอแนะนําให้ฝึกยกน้ําหนักให้พอดีตัวก่อนคือถ้าจำนวนความโมโหเป็นเรื่องเล็กเช่นต้องนั่งรอใครนานหน่อยหรือต้องทนฟังใครพูดจุกจิกน่ารําคาญก็ให้ตั้งใจปิดปากเงียบและระงับความเคลื่อนไหวทางกายไม่แม้จะทําตาขุ่น เช่นนี้คุณจะรู้สึกถึงความอดทนรู้สึกถึงการฝืนห้ามใจไม่ด่าไม่ทำปึงปังทั้งที่ความโกรธสั่งให้ด่าสั่งให้ปึงปังความอดกลั้นตรงตร ง, ตรงที่ผ่านด่านทดสอบได้สำเร็จแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงหนักแน่นและแข็งแรงขึ้นทีละนิดพอสอบผ่านในเรื่องเล็กหลายครั้งเข้าคุณจะทราบชัดว่าขันติทรงตัวไปเอง เมื่อเกิดเรื่องเล็กเรื่องน้อยน่ารำคาญก็ไม่ต้องฝืนใจอีกต่อไปผ่านพ้นได้ง่ายเหมือนยกลูกเหล็กเบาหวิวความโกรธและความขัดเคืองจะเหมือนมแมลงหวีมแมลงวันที่ไม่อาจบินผ่านกระจกเข้ามาในบ้านคุณคุณจะรู้สึกสบายและมองเห็นพวกมันอยู่ข้างนอกเป็นของภายนอกไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบ้านอีกแล้วแต่ถ้าชนวนให้เกิดความโกรธเกลี้ยวเป็นเรื่องใหญ่ประเภทเมียรักข อ, อย่าเจ้านายอลวาส หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าโดนเบี้ยวนี่แน่แบบนี้ยากจะนิ่งเพราะเกินกำลังต้านของคุณก็ให้หารูระบายบ้างอาจใช้คำพูดระบายโทสะได้แต่อย่าให้เป็นคำด่าเพื่อให้เกิดความสะใจอย่างเดียวขอให้ปนๆท่อยคำผ่อนหนักเป็นเบาเสียบ้างอารมณ์ขันเป็นเครื่องมือเยียวยาที่วิเศษแม้ทอยคาเล็กๆน้อยๆที่ชวนมองโลกด้านดี ด้านตลกก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้มากอย่างคาดไม่ถึงเช่นถ้ามีรักข อ, อยาอย่าเอาตะ ด, ดาเธอแบบหนำใจท่าเดียวให้หยอดมุกจุ๋มจิ๋มลงไปเช่นจะให้คุณเตรียมจัดงานยาที่โรงแรมไหนดีอย่าเลือกที่เคยใช้สำหรับงานแต่งละ่ะจ่ายแพงไม่เห็นได้อะไรเลยขอให้มีเสียงหัวเราะเล็กๆเธอให้เสียงหัวเราะเล็กๆพาคุณผ่านการสอบครั้งใหญ่หลายๆหน ในที่สุดคุณจะรู้จักมองโลกในแงด่ดีรุ่มรวยอารมณ์ขันวนเวียนอยู่ในน้องน้าแห่งความเศร้าได้โดยไม่เปียกหรือถึงเปียกก็ตัวแห้งเร็วคุณอาจเถียงว่าคนกำลังเครียดจะให้คิดคำตลกได้ยังไงขอให้ลองแล้วจะรู้นะครับตอนกำลังเครียดกำลังเจ็บปวดจุกอกจุกใจนั่นแหละเหมาะเลยที่จะหัดทาตลกเสียบ้างเพราะตอนเครียดจะมีแรงอัดอยู่ในปาก และในหัวอกระดับหนึ่งหากไม่ปล่อยให้ระเบิดเป็นคาพูดไร้ายแต่เปลี่ยนเป็นขับดันให้คำแห่งความบันเทิงหลุดออกมาแทนคุณจะเป็นตลกหน้าตายได้อย่างไม่นึกฝันที่เป็นเช่นนั้นเพราะการทำตลกในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานได้อย่างน้อยคุณต้องมีสติเมื่อมีสติยังไม่พูดพล่อย เมื่อไม่พูดพล่อยย่อมเกิดความฉลาดหาคำพูดจี้ๆ้ที่ฟังละอดขำไม่ได้หรือแม้พูดไม่ขำแค่ทำท่าตลกตอนตกอยู่ภายใต้แรงกดดันความกดดันก็จะแปลเป็นแรงอัดให้คนอื่นเห็นแล้วหัวเราะได้เหมือนกันสรุปคือการระงับความโกรธสำหรับมือใหม่นั้นอาจใช้วิธีงัดข้อกับความโกรธตรงๆหรือไม่ก็อาศัยอารมณ์ขันเข้าช่วย ทำอย่างไรก็ได้ขอให้หายโกรธแบบไม่มีความอัด อ, อกอัดใจตกค้างอยู่เป็นพอครับในที่สุดคุณจะพบว่ามีบันไดขั้นต่อไปให้ขึ้นสูงได้อีกนั่นคือการเห็นความโกรธไม่ใช่คุณมันเป็นภาวะหลอกใจให้หลงเกิดอุปาทานว่ามีตัวคุณเป็นผู้โกรธแท้จริงมีแต่ภาวะโกรธหากถูกรู้ถูกเห็นว่าเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา อาการหลงเชื่อว่าความโกรธเป็นตัวคุณจะเบาบางและเหลือน้อยลงทุกทีกระทั่งแยกไปต่างหากจากกันไปเลยความโกรธก็ส่วนหนึ่งจิตที่เห็นความโกรธก็ส่วนหนึ่งมีความว่างจากตัวคุณอยู่ตรงกลางถ้าไปถึงขั้นนั้นได้ก็เรียกว่าเปลี่ยนสิ่งที่เป็นโทษให้กลายเป็นประโยชน์สูงสุดสําเร็จแล้ว